ประเด็นที่จะต้องพูดนั้นมีอยู่สองอย่างคืออย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระเรากับมาตุคามอย่างที่สองเรื่องการบอกบุญ พระศาสดาเมื่อพระ อ, องค์จวนจะปรินิาพานพระอานุ์ก็ทูลถามพระ อ, องค์ว่าเมื่อพระ อ, องค์ปรินิพานไปแล้วจะให้พวกข้าพระ อ, องค์ปฏิบัติกับสตรีภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสมพระ อ, องค์ก็ทรงรับสั่งว่าการที่ไม่เห็นนั่นแหละเป็นการดี พระอนุนปทูนถามท่ า, าว่าจําเป็นที่จะต้องได้เห็นหรือไอ่เมื่อจําเป็นต้องได้เห็นก็ให้มีสติแล้วการที่ไม่ได้พูดนั่นแหละเป็นการดีพระอนนกปทูนว่าถ้าหากว่ามีเหตุจําเป็นที่จะต้องพูดล่ะก็องค์ก็รับสั่งว่า ก็ให้มีสติสมัชชัญญะการพูดการจาต่อกันและกันอย่าให้ความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในใจอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างพระสงฆ์สามันเนรกับญาติญาติโยมชาวบ้านหรือว่ากับผู้หญิงว่ากันตรงๆอย่างนัง้นเี่ย ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันจะห้ามไม่ให้เห็นเส้อเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันเกิดร่วมกันมาอยู่ร่วมกันท่อยที่ท้อยก็อาศัยกัน น, นั่นพระพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอนุญาตให้ภิกษุนีนะไปสร้างวัดอยู่ติดกับวัดภิกษุโนเพราะว่าถ้า ภิกษุณีไปสร้างวัดอยู่ไกลจากวัดภิกษุโนโถูกคนอันภานมันลังแกเอาพระองค์ก็เลยทรงรับสั่งให้ถายกชายกาจัดสร้างที่อยู่เทีย่ยวใสให้นางภิกษุณีไกลกันกันกบพระภิกษุจะได้ดูแลกันเป็นอย่างนั้นอันธรรมเนียมที่เป็นมาน่ะ แล้ววันนี้ในทางวิในวันนี้นะพระองค์ทรงบัญญัติในไว้ห้ามนั่งคุยกันสองต่อสองในที่ลับกับผู้หญิงไอ้พระภิกษุสามเณรเนี่ยไปอย่างนั้นแล้วก็ห้ามแสดงธรรมแก่ผู้หญิง อยู่ในห้องซึ่งมีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนแม่จะมีผู้หญิงหลายคนก็ตามแต่พระนน่นก็แสดงธรรมให้ผู้หญิงหลายคนฟังไม่ได้ต้องให้มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนอย่างนั้นระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นะให้พากันเข้าใจ ในเมื่อเราปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เป็นไปด้วยดีมันก็ไม่มีโทษอะไรข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทุกคนต้องรู้จักกำลังของตัวเองนตนเองเนี่ยมันมีกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญามากน้อยเพียงใด ที่เราจะต้องสังคมกับบุคคลทุกประเภทได้อันนี้มันก็ต้องอพิจารณาพิสูจน์ตัวเองให้ได้จะไปให้ผู้อื่นพิสูจน์ให้้วมันไม่ได้หรอกอตรงนี้นะแล้วพูดถึงระเบียบ ที่วางกันไว้น่นะนะห้ามไ ม, ม่ให้ภิกษุสามนเณรไปคุกคีอยู่ในที่พักของแม่ชีแม่เขาและโรงครัวถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆห้ามเข้าไปในโรงครัวเมือ่อระเบียบวางไว้อย่างนั้น หากว่ามีกิจธุระอะไรที่จะต้องพูดกันเช่นในศาลาอย่างนี้ถ้าหากว่ามีหมู่มีเพื่อนอยู่ร่วมกันด้วยอย่างนี้นี่มันก็ไม่ผิดอะไรแต่ต้องต้องมีเหตุมีธุรกิจที่เราจะต้องพูดกันมีการงานเกี่ยวข้องกันบางสิ่งบางอย่าง เนี่ยมันก็พูดกันได้มีเรียวกว่าปฏิบัติธรรมภายในก็แล้วกันนั่งในที่รับหูนั่งในที่รับตานี่อนั่งในที่รับหูหมายความว่าเรานั่งอยู่กลางแจ้งแล้วไม่มีคนได้ยินด้วยภิกษุกับผู้หญิงพูดกันสองต่อสอง อยู่ในที่แจ้งไม่มีใครได้ยินด้วยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยกันว่าผู้ที่พูดเช่นนั้นมันเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่จะไปะปรับโทษกันทันทีเลยยังไม่ได้ที่ขาบทนี้นะ มันเป็นเรียกว่าอนิศจออั น, นั้นต้องสอบกันก่อนถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้อย่างนี้นะมาพูดขึ้นโดยทำสามอย่างคือปาจิตปาราชิกหรือสังกาจิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้นั่งในที่รับตาอันนี้นะ นั่งอะไรเนี้ยหูนั่นถ้ามีคนเชื่อได้มาพูดขึ้นโดยทำสองอย่างคือถังขาทิศเสร็จหรือปาจิตตตีย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดก็ให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างไรก็ให้ปรับอย่างนั้นอันนี้มันยิ่งมันเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยกันก่อนต้องให้เข้าใจเรื่องวินัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ถ้วินิจฉัยกันแล้วมันมีเหตุผลไปในทางเสียหายอย่างนี้นะมันเสียหายน้อยมากเพียงใดถ้าพูดถึงเป็นอาบัตอย่างนี้ก็เป็นอาบัตอะไรจะต้องวินิจฉัยกันให้แน่นอนมันก็จึงปรับโทษกันได้ให้เข้าใจอย่างนั้น แต่ส่วนอันกฎกติกาที่วางไว้นั้นอันนั้นเป็นการสนับสนุนอชิขาบทดังที่พูดมานี่แหล ะ, ะเป็นการสนับสนุนเพราะว่ามันล่อแหลมต่อความเสียหายถ้าพระภิกษุสามเณรไปคุกคีอยู่โรงโคบวบบ้านเมชีแม่ขาวอย่างนี้นะ มันล่อแหลมต่อความเสียหายอันเรื่องมันนะเหตุนั้นถึงได้วางกดกติกาว่าอย่างนี้<ม>เพื่อสนับสนุนสิกขาบทอย่างที่ว่านั่นนะให้พากันเข้าใจะฉะนั้นเราทำอะไรมันต้องมีเหตุผล ต้องให้มันเหตุผลเราเนะี่ยมันเจีมกระจ่างขึ้นมาแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปอืเช่นอย่างที่ว่านี่แหละถ้าว่าทั้งมีครือขัดอยู่ด้วยแล้วก็มีพระอยู่ร่วมกันด้วยออย่างนี้ที่ศาลาหรือใต่ถุนศาลาโมนี่แม่จะสนทนาอะไรกับเม่ชีเม่เขามันก็ไม่ผิดอะไรหรอกไม่ผิดอะไรเวียนเสียแต่ว่านั่งคุยกันอยู่สองต่อสอง นั่นเรียกว่าในที่รับหูอันนั้นอันนั้นไม่ดีไม่ถูกอนั่นต้องให้เข้าใจระเบียบอย่างนี้เพราะเรามันมีวินัยอยู่แล้วเรื่องมันนะถ้าเราปฏิบัติตามพระวินยัยอยู่อย่างนี้มันก็ไม่มีความเสียหายอะไรแต่ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจําเป็นต้องพบต้องเห็น จำเป็นต้องพูดต้องสนทนากันอย่างนี้นะก็ให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจไว้ให้ได้อย่าให้ราคะตัณหามันครอบงมจิตใจนี่ความสำคัญอยู่ตรงนี้นะให้พากันเข้าใจแต่ถ้าว่าฟิสุสมเณ น, นลูกใดนึกว่าต น, ตนนั้น่ะ ยังเอาชนะค่าศึกอย่างนี้ยังไม่ได้อย่างนี้การที่ไม่ดูหรือการที่ไม่พูดเสียเลยนะั่นนะนับว่าเป็นการดีอ่านี่มันมันมีข้อแม้อยู่อย่างนี้นะเรื่องอย่างนี้นี่มันต้องให้รู้ให้รู้เรื่องของตัวเองตัวใครตัวเราอืมอยไปให้คนอื่นนั้นรู้ให้ไม่ได้หรอก ทุกคนต้องพิจารณาตัวเองถ้าว่าตัวเองนะมั่นคงในใจแล้วอย่างนี้นี่การพบการปะการสนทนาอะไรกับใครที่ไหนถ้าปฏิบัติตามหลักพระวินัยแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรงต้องให้เข้าใจให้มันลึกซึ้งอย่างนี้ในเรื่องการที่เรา ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยแม้แต่ขั้งพุทธเจ้าก็มีแต่ว่าอันนั้นเพื่อนเป็นนางพิษุนีทีนี้ต่อมานี่นางพิษุณีมันหมดยุคหมดสมัยไปก็เลยเมื่อสตรีเพศมีศรัทธาอยากกระบวดท่านก็จึงอนุโลมให้บวชนุ่งขาวห่มขาวเอา โกนผมรักษาสินแปดเอามันเปลี่ยนแปลงมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่ชี้ไม่ขาวจะอยู่ใกล้จากวัดก็ไม่ได้คนอันดพานก็จะรังแกเอาเหมือนจะขังผู้ต่เจ้านั้นเพราะเหตุ น, นั้นก็จึงจำเป็นต้องได้อยู่ใกล้วัด นี่ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราได้อยู่ใกล้กันอย่างนี้เนี่ต่างคนต่างก็ให้สัมรวมระวังตนให้ดีก็แล้วกันเออถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆก็ไม่ต้องพูดกันไม่ต้องคุยกัน อ, อือันนี้อันนี้เรื่องอย่างนี้มันก็เรียกว่าเฉพาะตัวใครตัวเราคําว่าเหตุจําเป็นนี่นะ มันจําเป็นอะไรอย่างนี้ยทุกคนก็ให้รู้ตัวเองเอาอ๋อมีเหตุจําเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะต้องพูดกับแม่ทีคนนั่นบอกองนี่น ะ, mm. ะแล้วก็หาเพื่อนซะให้ได้แล้วก็ไปพูดกันถามกันได้อไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปิดประตูตายเลยอ่ะไม่ใชเ่เราต้องเอาวินัยเป็นหลัก ข้อนี้นะเราจะไปเอาอยางอื่นเป็นหลักไม่ได้ <c oughs> นั่นหวังว่าคงเข้าใจกันแล้วนะบนเนี้ยประเด็นที่หนึ่งบ น, นี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองนี่ก็เคยพูดมาแล้วเรื่องบอกบุญนนี่ก็ขอให้เข้าใจความมุ่งหมายของวัดป่า ความุ่งหมายของวัดป่านี่มุ่งปฏิบัติธรรมโดยตรงบาเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสังกัดผู้ใดเข้ามาอยู่วัดป่าแล้วก็ต้องบาเพ็ญตนโดยคุณธรรมดังกล่าวมานั่นแหละต้องให้เข้าใจความหมายอย่างนั้นเป็นผู้มักน้อยก็แล้วเขาว่า ต้องการอยากจะให้กิเลสตัณหาอาสวะอยู่ในหัวใจในี่มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแล้วก็ตลอดถึงปัจจัยทั้งสี่อก็ไม่ไม่ปรารถนาจะพุ่มเฟื่อยเส้นผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้เอาแต่อขอปกปิดร่างกายไปได้ ตามธรรมเนียมก็พอแล้วแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันมเมื่อหากว่าบุญกุศลเอาโนวยผลให้ได้อยู่เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยขนาดไหนดีขนาดไหนเร็วขนาดไหนก็ไม่ว่า นันเนี่ยเราก็ยินดีอยู่อาศัยดูแลปฏิบัติเสนาธนะอ น, นั้นให้ดีอย่าไปทำลายต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอันใดที่ไม่ดีก็พยายามทำให้ดีถ้าหากว่ามันเสียหายตนซ่อมแซมทำโดยลำพังไม่ได้ก็ต้องบอกผู้เป็นประมุข ป, ประทาน ให้ทราบแล้วท่านก็จะได้จัดการซ่อมแซมให้มันดีไปนี่ระเบียบของการอยู่สำหรับนัก บ, บวชนะเป็นอย่างนั้นอาหารการบริโภคก็ดีอย่างนี้เราก็ยินดีตามมีตามได้เมื่อเมื่อได้มามากมากก็ ก็รู้จักประมาณเมื่อหา ก, กว่ามันมีน้อยเราก็อดทนเมื่อมีมากนี่เราก็รู้จักประมาณบริโภคแต่พอควนไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ให้น้อยเกินไปยุกยาแก้โรคภัคยไข้เจ็บก็เหมือนกัน เราเป็นนักบวชเนี่ยเราจะต้องการอะไรจะให้มันได้ตามความประสงค์ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เลยเพราะชีวิตของเรามันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นดังนั้นมัน น, นักบวชเนี่ยมันต้องอธิฐานถึงบุญบา ร, รมีของตนเพรานั้นเลยถ้ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราก็อธิฐานใจถึงบุญบา ร, รมี ที่เราทำมาหากว่าบุญบา ร, รมีแล้วมันมีจริงอย่างนี้มันก็จะโดนวันดาลให้อุปสรรคของขัดข้องนั้นๆมันหายไปได้รุ่ร่วงไปได้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนะโยบายของผู้อยู่ป่าก็อย่างที่ว่าให้ฟังมาแล้วนะคากันเข้าใจอ าญาติโยงเข้ามาทำบุญทำทานในวัดวาอารามอย่างนี้นะก็จะไปหาเรื่องบอกบุญเขาหลวงผู่กระปรวนาไว้แล้วเนี่ยถ้าขัดข้ออะไรต้องการจะทำอะไรเนี่ยให้แจ้งมาเลยแจ้งมาให้ทราบถ้าไม่ไม่พูด ด้วยวาจาก็เขียนเป็นหนังสือมาแวันนั้นจะได้พิจารณาเห็นว่าจำเป็นของสิ่งนี้จำเป็นจริงหลวงผู่จัดการให้เลยไม่ต้องขาดข้องเรื่องกิจการงานต่างๆในวัดนี้นะไม่จำเป็นต้องไปบอกคุณคนอื่นเขา ไอ้สำหรับยอดโยมชาวบ้านที่เขามาทำบุญแล้วแต่เขาจะมีศรัทธาบริจาคมากน้อยเท่าใดก็ได้เอแวแต่เขา อ, อย่างนี้แหละเว้นเสียแต่จัดงานการกุศลขึ้นบางครัง้งบางคราวแล้ววันนี้ก็ การประชุมกรรมการกันมีมีรายการยังไงบ้างการจัดงานการกุศลขึ้นครั้งนี้ปรารพเรื่องอะไรอย่างนี้นะั้อเมือ่อประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่จัดงานการกุศลครั้งนี้ปารพเรื่องนั้นที่จะต้องบุรณะเสนาส น, นะหรือจะต้องทำ อย่างไดอย่างหนึ่งกิดธุระในวัดนี้แล้วก็จะต้องใช้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้งานนี้จึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้เพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้กรรมการทั้งหลายได้ทราบแล้วก็ขอให้แจ้งต่อๆกันไปบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาเรื่มใสร่วมกันว่าใครมีศรัทธาจะบริจาคสมทบ งานการกุศลครั้งนี้เท่าไรก็แล้วแต่ศรัทธาเอออย่างนี้นี่มันสมควรสมควรติดต่อได้ในเมื่อคณะกรรมการตกลงกันแล้วเมือเ่อไปแจ้งข่าวให้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้ทราบใครเขามีศรัทธาเลื่อมใสมี ปัจจัยพอที่จะบำลุงวัดวาอารามได้เขาก็บริจาคไปด้วยความเต็มใจถ้าเขาไม่สามารถแล้วเขาไม่บริจาค ก, ก็เลี้วไปนี่เราไอ้ผู้อยู่ป่านีนะ่ความจริงก็ไม่มีเรื่องขัดข้องอะไรในความเป็นอยู่เนื่องจากว่าเราเสียสละ ความอยากความปรารถนาในปัจจัยทั้งสี่นี่มาโดยลำดับแล้วมีเท่าไหร่ก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นไม่มีก็ไม่ใช่ไม่สอยไปเลยวันนี้ผลแห่งความเสียสละอันนั้นมันก็ปรากฏขึ้นมาในภายหลังมีผู้มองเห็นว่าวัดนี้ควรบำรุง เขาออกมาบริจาคเองโดยที่เราไม่ได้เชื่อเชิญไม่ได้ดีกมดีกาอะไรไปแจกนี่แหละผลแห่งความเสียสละมันถ้าเกิดขึ้นมาอย่างนั้นดังนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปชิงสุกก่อนหาม เมื่อเราทำความดีอะไรเพียงนิดหน่อยอย่างนี้เราจะให้คนทั้งหลายเขามองเห็นเราให้เขาศรัทธาเลื่อมใสบริจาคอะไรต่ออะไรมาไอ้อย่างนี้นี่มันมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุมันไม่สมกับผลเมื่อทำเหตุน้อยผลมันก็ต้องน้อยอเมื่อเราทำเหตุมากผลมันก็ต้องมากไปตามกันมันเป็นยังไ น, น โดยเฉพาะคุณธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมนี้นะโดยเฉพาะนักบวชนี่ความอดทนเนี่ยนับว่าเป็นที่รักของมนุษย์อเทวดาทั้งหลายได้จริงๆอดทนยังไงอดทนต่อคำด่าคำว่าคำเสียดสีคำยกโทษติีเตียนต่างๆนี่ ไม่แสดงอาการวู่วามเวลาได้กระทบกระทั่งกับเรื่องที่ไม่ดีต่างๆอย่างนี้นะอดได้ทนได้ไม่แสดงอาการที่ไม่ดีไม่งามออกมาถ้ามันจะมีอารมณ์อะไรอยู่ในใจก็ให้มันมีอยู่ภายในแล้วก็กําหนดละมันอยู่ภายใน อย่าอย่าให้มันแสดงออกมาทางภายนอกเพราะศาสดาก็จึงได้ทรงตรัสด้วยว่าปิโยเดวามนุษยานั่งมามนาโปโคติขันติโกผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรามาบำเพ็ญขันติธรรมกัน ตามที่พระศาสดาทรงสแสดงไว้คนเราอยู่ในโลกนี้นะถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดูไม่ได้แล้วมันก็กลงกันข้ามนั่นแหละบันนี้มันก็มีแต่คนเกลียดชังอ่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทำตนให้คนอื่นเขารักเขาเอ็นดู ไม่ได้แล้วอย่างนี้กระแสดงว่าคนนั้นทําตนให้เขาเกลียดเขาชังมันก็มีอยู่อย่างนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไปของคนเรานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินทางไหนวะเนี่ยนั่นมันต้องให้เข้าใจแน่นอนอนะทุกคนนะถ้าต้องการให้คนอื่นเขามองเราในแง่ดีเสมอไปอ่ะให้เขาเอ็นดูให้เขารักใคร่ให้เขาเรื่อมใสนับถือ ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครเกลียดชังอันนี้มันมันเป็นสัญชาตญาณของคนเราทุกคนนะมันเป็นยางไ น, นเมื่อเรา ม, มีความต้องการอย่างนั้นแล้วเราไม่บําเพ็ญคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มันก็ไม่ได้ผลนะมันเป็นยังไนคําว่าผู้มีความอดทนในที่นี้แปลว่าอดทนเรื่อยๆไป ไม่ใช่ไปอดทนหน่อยเดียวหนึ่งแล้วแล้วจะให้คนเขานิยมนับถือไปเลยอย่างนี้ไม่ได้มันต้องอดทนไปจนว่าคนอื่นเขามองเห็นว่าเรานี่มีความอดจริงมีใจหนักแน่นจริงไม่วันไว้ต่อเรื่องต่างๆจริงถ้าคนทั้งหลายเขามองเราอย่างนี้แล้วก็ได้ผลจริงๆนะเขาก็เคารพนับถือบูชา ถ้าผู้ที่เคยเป็นศัตรูมาแต่ก่อนเขาก็อภัยให้ไปเลยบางทีก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นสาหายเป็นเพื่อนกันไปอย่างนี้แหละทั้งมีความอดทนด้วยแล้วทั้งมีอูบายแยบคายในใจสอนใจของตนให้ละให้วางไอ้เรื่องไม่ดีต่างๆ ที่ตนเองสร้างขึ้นก็ดีผู้อื่นสร้างขึ้นมาให้แกต่ตนก็ดีนี่ตนก็มีอุบายสอนใจให้ละเรื่องต่างๆเหล่านั้นไม่ไม่ให้ใจมันไปถือมั่นเอาไว้แม้ตนเองสร้างขึ้นมางนี้ก็รู้ตัวตนมันสร้างอารมณ์ไม่ดีขึ้นรู้ตัวแล้วก็กหนดละมันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนใหญ่มันไม่รู้ตัวนะ ตนเองสร้างเรื่องไม่ดีต่างๆขึ้นมาแล้วก็ยังสำคัญว่าตนดีอยู่อย่างนั้นเลยสำคัญว่าตนไม่ได้สร้างเรื่องชั่วอะไรขึ้นมาเลยแต่อย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดไปเราต้องภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนอารมณ์ของจิตนี่นะ มันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่เราต้องเพ่งพี่นะให้มันรู้ทั้งสามอย่างเลยทีเดียวหยาบอันนี้มันเห็นได้ชัดอันนี้นะนนนเห็นได้แต่ว่าบางคนก็ไม่เห็นโทษตนสร้างเรื่องหยาบหยาบขึ้นในจิตใจอย่างนี้ก็ไม่เห็นโทษนึกว่าตนดีอยู่นั้นแหละ เนี่ยสำคัญมากนะแต่ถ้าใครรู้ตัวได้ว่าความคิดของตัวนี้มันหยาบคายอย่างนี้ถ้ารู้ได้อย่างนี้ละมันก็บรรเทาได้เลยอ่ามันก็บรรเทาความคิดอันหยาบโลนต่างๆนั้นในใจลงได้ทีนี้นเมื่อเมื่อความคิดอย่างหยาบมันบรรเทาลงไปแล้ววันนี้มันก็กลายเป็นอารมณ์อย่างหยาบ เป็นอารมณ์อย่างกลางนั่นเองอารมณ์อย่างกลางนี่มันมีแต่ความวิตกวิจารในใจไม่ไม่มีการแสดงออกทางกายทางวาจาทำให้ใจวุ่นวายฟุ่งซ่านไปเพียงเท่านั้นแหละไม่แสดงความชั่วเหล่านั้นออกทางกายทางวาจาเพราะมันเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นกิเลสอย่างอ่อน มันอ่อนลงไปนี่เรามันต้องกำหนดรู้ต้องกาหนดรู้ทีนี้เมื่อเรารู้แจ้งในอารมณ์อย่างกลางนั่นแล้วกำหนดละกำหนดวางจนว่าอารมณ์เหล่านั้นมันดับลงไปได้ใจรวมลงเป็นหนึ่งลงไป นั่นไม่ใช่ว่ามันบริสุทธิ์แท้ในวันนี้มันยังอารมณ์ส่วนละเอียดอีกอืเราต้องตามเพ่งดูให้มันได้อารมณ์ส่วนละเอียดก็าตามอารมณ์อย่างกลางก็ดีมันก็ไม่นอกเหนือไปจากราคาโทสะโมหะนี่หรอกสามอย่างนี่แหละแต่ว่ามันละเอียดเข้าไปเท่านั้นเองหรอก เช่นราคะความกำหนัดยินดีเมื่อมันไม่กำหนัดยินดีในกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสแล้วอย่างนี้มันก็ไปยินดีในรูปกายตัวเองนั่นแหละจิตก็ไปติดอยู่ในรูปกายตัวเองนี่แหละวันนี้มันเป็นยางน้นห่วงแห็นถ้าใครมายกโทษติเตียนหน่อยหนึ่งมันใจร้อนขึ้นมาเลย วูวามขึ้นมาเลยอย่างนี้แต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะไปแสดงความหยาบคายต่างๆออกมาแต่มันถ้าทำใจให้วุ่นวายให้ฟุ้งซ่านไปนี่มันต้องพิจารณาดูให้มันเข้าใจได้ในเรื่องขิดที่มันยึดอารมณ์ต่างๆไว้เนี่ยนะเราต้องตามเพ่งดูอารมณ์ของขิดนี่นะ ให้มันถึงอารมณ์ขั้นละเอียดเข้าไปอารมณ์ขั้นละเอียดนั้นเพียงแต่ว่าใจสงบลงไปแล้วมันพิจารณาอะไรแล้วมันเห็นชัดในสิ่งนั้นลงไปแล้วมันก็ยังไปถืออารมณ์เหล่านั้นอยู่ถือซ้ำๆแล้ตจนเห็นแจ้งจนรู้แจ้งในเรื่องนี้อยู่ ไอการที่ไปถืออยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นทางหลุดพ้นทางหลุดพ้นได้แท้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งลงไปแล้วก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นความคิดความเห็นอันนั้นเมื่อปล่อยวางแล้วไม่ถือมั่นแล้วอารมณ์เราแล้วมันก็ดับไปเป็นอย่างนั้น เมื่ออารมณ์ต่างๆอันละเอียดแลอาอณอน้มันดับลงจิตมันก็เข้าถึงความบริสุทธิ์สงบแนวทางบริสุทธิ์จากอารมณ์ต่างๆความเห็นอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นก็เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์ท่านเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิอั น, นแล้ววันนี้เมื่อเห็นว่า ความเห็นในใจนี่เนี่ยมันแจ่มแจ้งแล้วแล้วก็ไม่ถือมัน่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นราเป็นของของราแม้แต่ความรู้ความเห็นก็ไม่ได้ถือมัน่นเช่นนี้แล้ก็เป็นกังขาวิตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์เพราะไม่สงสัยลังเลอในสังขาร น, นามรูปต่างๆหมดนี้นะ รร้แจ้งแล้วไม่สงสัยเลยไม่สงสัยอะไรก็ไม่ไม่สงสัยพ่อเห็นแจ้งว่าน้มรูปนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้เป็นความจริงเน่ไม่สงสัยเลยเนี่ยเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรานี่ <c oughs> ลรวก็พยายามเจริญความเห็นอันนี้นะให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอันนี้น่ะจึงเราเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อหลุดเพื่อพ้นไปจากวัฏฏะสงสารอันนี้โดยแท้ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเกาะเพื่อคล้องอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้ให้พากันเข้าใจ เรามาอยู่ฝ่าเขาาลมเนาวใครอยู่สถานที่สงบสังัดบำเพ็ญตนเป็นผู้มากน้อยสันโดษมาอย่างนี้ก่อนนับว่าเป็นความก้าวหน้าแห่งชีวิตของเราผู้เป็นนักบวดมาขั้นหนึ่งแล้วควรภาคภูมิใจเพราะว่า ในขั้นนี้นยะก็ยากที่บุคคลจะทำได้ร้อยคนพันคนก็จะมีสักคนหนึ่งอย่างวันนี้นะก็มีผู้สแสดงความจำงจะเสวงหาทางหลุดทางคน้นจากทุกข์ในสงสารอันนี้เพิ่มเข้ามาแต่คนที่ หลงที่เมาที่ไม่มีความคิดดําริดที่จะหาทางค้นจากความวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆในโลกนี้มีมากมายเหลือเกินนะคนที่เห็นโทษภัยในสงสารนี่มีน้อยนิดเดียวหนึ่งดังนั้นควรภาคภูมิใจสําหรับผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วควรควรภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยก็เป็นผู้มีบุญมาก ผู้หนึ่งเพราะบุญนั่นแหละบรรดาให้เราเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกจึงต้องการทรมบบนี้นะไอเรื่องของโลกนั่นได้สัมผัสมันมาแล้วมันไม่มีสาระแกนสารอะไรทั้งก่อให้เกิดทุกนานาประการส่วน ธ, ธ, ธรรมะวะนี่ส่วนธรรมะนั่น เมื่อธรรมะฝ่ายกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นห่างจากโลกกว่านี้นะนั่นเองทำให้จิตใจนั้นห่างจากโลกหมายความว่าความยินดียินร้ายต่อโลกสงสารอันนี้มันน้อยลงน้อยลงมันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะเพราะว่าใจเรามันหนักหมหยในทางธรรมะ หนักไปในความสงบหนักไปในความรู้แจ้งในสภาวะทาทั้งหลาย เ, เมื่อใจมันหนักไปอย่างนี้แล้วมันมันก็ทําให้ความส่งใจไปเกี่ยวข้องอยู่กับโลกภายนอกนั้นน้อยลงมันเป็นอย่างนั้นเพราะใจมันดวงเดียวนี้ เมื่อเราน้องไปทางไหนทางใดทางหนึ่งแล้วมันก็ทิ้งทางอื่นไปหมดเลยนี่เป็นอย่างงี้เหมือนอย่างคนเดินทางนี้เนี่ยเมื่อทางมันจะมีสามแพพงสี่แพ่งถ้าเรามองเห็นว่าทางนี้เราเป็นทางถูกจุดหมายที่เราจะต้องไปอย่างนี้ก้มหน้าเดินไปทางนั้นแล้วก็ทิ้งสามทางนั้นไม่ได้กังวลไม่ได้ ผูกพันอยู่กับทางสามเส้นนั่นอย่างนี้นะเมื่อก้มหน้าเดินไปทางที่ถูกต้องนั่นเส้นเดียวเท่านั้นแล้วมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยโดยแท้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเลยเมื่อเราผู้ปฏิบัติทำหลายทำทั้งหลายเนี่ย เมื่อมามองทําใจให้สงบลงไปแล้วก็มาพิจารณาเห็นว่าการทําใจให้สงบใจที่สงบจากอารมณ์ต่างๆนี่ต้องเป็นทางพ้นทุกแน่นอนอย่างนี้น ะ, ะนนเมื่อเมื่อเรามั่นใจอย่างนี้แล้วมันก็มุ่งความสงบเป็นที่ตั้งสิวันนี้นะความวุ่นวายไม่เอาแล้ว ใครจะก่อขึ้นมาก็ช่างแต่เราไม่เอาเราไม่ร่วมวงด้วยนั่นเพราะว่าไอ้ความวุ่นวายต่างๆนมันเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ความสุขนี่ไอ้ความไม่วุ่นวายความสงบระงับอยู่ภายในจิตใจดวงนี้แล้วมันก็เป็นสุขสบายดี มันจะมีอะไรภายนอกหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนว่าใจใจมันสงบลงได้แล้วมันจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรไปก็แล้วแต่มันไม่เดือดร้อนนี่แหละจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมขอให้พากันเข้าใจเมื่อเรากําหนดเอาความสงบนี่เป็นที่ตั้ง ของการปฏิบัติทาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ผิดไม่ผิดทางเลยแบนี้นะมันก็ไม่หลงทางเดินแล้วต่างคนต่างมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งแล้วนี้เราก็อยู่ด้วยกันโดยสันติสุขก็ไม่มีเรื่องอะไรถ้าหากว่าไอ้กิจการงานภายนอกวางอย่างนะทาไปแล้วมันไม่สมหวังมันผิดหวังลงไปผิดหวังก็เลี้ยวไว้สละมันลงไป อย่าไปอุ่นไวยอย่าไปเดือดร้อนอยากจะให้มันสมหวังอะไรต่ออะไรไปนี่ผู้ปฏิบัติธรรมมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็อย่างว่านั่นนะเมื่อตอนตั้งเป้าหมายอะไรลงไปแล้วเราจะทำอย่างนั้นให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้ได้ทีนี้เมื่อทำไปแล้วมันไม่ได้ตามใจหวังแล้วก็เอาละเดือดร้อนอุ่นวายขึ้นมาแล้ว แสดงตนเป็นคนอันธพาลขึ้นมาบางคน่ไปยกโทษคนอื่นเอาออกมาขัดขวางอะไรต่ออะไรต้นเข้าไปนี่ผู้ไม่ปฏิไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมผู้ถึงธรรมจริงๆนะไม่เป็นอย่างนั้นอไม่ไม่เดือดร้อน โรคอันนี้มันป่วนปั่นวันไว้ผู้รู้ทำก็ไม่วันไว้ไปตาม อ, อย่างนี้แหละให้พากันเข้าใจแต่ว่าํำพูดนี่นะมันพูดได้ง่ายจริงเมื่อเวลาลงมือทำจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ว่านี่เมื่อไม่เป็นเราก็ไม่่อท้อ เราจับจุดได้แล้วเราก็พยายามเราก็พยายามเดินไปหาจุดนั้นให้ได้แต่คนผู้ปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะไม่รู้จักจุดที่ตั้งก็ได้เรื่องเหมือนนะเมื่อไม่ไม่รู้จักจุดที่แท้จริงอย่างนั้นแล้วมันก็ เกิดลังเลสงสัยขึ้นมาเอถ้าว่าเปรียบเหมือนอย่างคนเดินทางอันี่ก็เดินสเปสะสปะไปเข้ารกเข้าคงไว้บ้างถูกทางบ้างอะไรไปอย่างนั้นเนี่ยก็ได้รับความลําบากจะไม่ถึงที่หมายได้เร็วอย่างนั้นถ้ากว่าเรารู้จุดที่แท้จริงอย่างว่านี้มีเรื่องอะไรวุ่นวายขึ้นมาเราก็โน้มสติสํารวมจิตเข้าไว้เพ่ง กิเข้าไปให้ถึงความสงบลงไปให้เรื่องต่างๆเหล่านั้นมันหายจากกิจใจไปแล้วอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนไม่มีอะไรแต่ว่านี่มันก็ไม่มีอะไรก็เรียกว่าเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆภายในนั้นไปได้นี่ขอให้พากันเข้าใจแต่ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นนะ เมื่อมันวุ่นวายอะไรขึ้นมาแล้วมันมันมกจะไปเพ่งจะโทษคนอื่นนู่นนี่ว่าถ้าคนอื่นน่ะผิดล้มไปอืมตนเองเป็นผู้ถูกนี่เห็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใครจะผิดหรือจะถูก ม, มันมันมีไอการทำใจให้สงบลงไปนี่เป็นเครื่องตัดสินนะอ่ ถ้าผู้ใดทำใจสงบลงได้แล้วนั้นเรียกว่าผู้นั้นถูกผู้ใดมีใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปในเวลาที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาสงบจิตลงไม่ได้เลยเนี่ยผู้นั้นเป็นผู้ผิดแน่นอนเพราะว่าไม่สามารถจะทำใจให้สงบลงไปได้สแสดงว่าความคิดความเห็นมันผิดทาง จิตจึงสงบจึงรวมลงเป็นหนึ่งไม่ได้นี่ต้องรู้ตัวถ้าผูใ้ใดจิตใจเปลียนไปอย่างนั้นก็ต้องรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็พยายามสิแบบนี้พยายามเพ่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นให้เห็นมันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเมื่อเพ่งเห็นอยู่นั้นแล้วมันก็คลายความยึดถือแล้ว พอมองเห็นมันไม่มีแก่นสารอะไรนี่ไม่มีตัวตนอะไรอ่ะทำไมยังไปวุ่นวายเดือดร้อนล่ะสอนตนเข้าไปอย่างนี้น ะ, ะมันก็สงบลงได้เท่านั้นเอง น, ะนี่จุดหมายของการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจพอพึกปฏิบัติไปให้ ปฏิบัติตามทำพระธรรมคุณอย่างที่ว่านันนะสันธิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองนี่นะเมื่อปฏิบัติไปถึงจุดจริงๆมันผิดมันก็รู้ได้ทุก็รู้ได้แบบ น, นี้นะอย่างนี้รู้ได้โดยตนเองไม่ไม่ถึงกับให้ผู้อื่นมาทักท้วง ตนเองรู้เออว่าตนนั้นตั้งความคิดความเห็นว่ผิดทางนี้ก็รู้อย่างนี้นะเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็กําหนดละความเห็นอันนั้นความคิดอันนั้นเสียถ้ารู้ว่าตนนั้นมีความคิดความเห็นถูกทางอย่างนี้ก็รักษาความคิดความเห็นอันนั้นไว้แล้วผู้นั้นก็จะมีใจคอสงบระงับเยือกเย็น เลื่อยๆไปดังที่บรรยายมาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้